ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอัตถันธตสัมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยะสังฆะอัตตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการจนนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สามสิบสี่ปกิณกะวินิชยกถากระถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องเบตเตเ็ตต่อ ก็ถือเรื่องของการที่รับผลาผลจากคนที่รักษาสวนที่เขาถวายก็ในเรื่องทั้งหลายมีเรื่องให้แบ่งมะม่วงเป็นต้นนี้มีวินิจฉัยดังนี้ในอาวาสใดพวกพิจุเจ้าถิน่นไม่ถวายแก่พวกพิจุอาคันตุกะและเมื่อถึงหน้าผลไม้เห็นว่าพิจุอาคันตุกะเหล่าอื่นไม่มี ตนเองก็ฉันเสียด้วยกิริยาที่เป็นโจรการที่พวกพิสษุน์อาคันตุ ก, กะเคาะระคังขึ้นแล้วแจกกันฉันในอาวาสเช่นนั้นย่อมควรถ้าพวกเจ้าถิ่นนี้ไม่ยอมแบ่งฉันเหมือนกับกิริยาที่เป็นโจรก็ควรจะเคาะระคังแล้วก็แจกกันฉันในอาวาสนั้นส่วนในต้นไม้ใดพวกพิสูจเจ้าถิ่นรักษาต้นไม้ทั้งหลายเมื่อถือหน้าผลไม้ก็แจกันฉัน ทั้งนำไปใช้ในปัจจัยสี่โดยชอบพวกพิกษุอาคันตุกะไม่เป็นใหญ่ในต้นไม้นั้นเขาก็แจกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องไปกรแดงอาการเป็นใหญ่อะไรต้นไม้แม้เหล่าใดที่ทายกกําหนดถวายไว้เพื่อประโยชน์แก่จีวรพวกพิสูจอาคันตุกะไม่เป็นใหญ่ในต้นไม้แม้เหล่านั้นแม้ในต้นไม้ทั้งหลายที่ทายกกําหนดถวายไว้เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยที่เหลือก็มีในนี้เหมือนกันนี้ ส่วนต้นไม้เหล่าใดที่ทายกไม่ได้กำหนดไว้อย่างนั้นและพวกภิษสุเจ้าถิ่นก็รักษาปกครองต้นไม้นั้นไว้ทั้งฉันอยู่ด้วยกิริยาที่เป็นโจรก็คือแอบซ่อนไม่แบ่งให้พระอากันตุกาถ ร, รอาอกันตุกะทั้งหลายไม่ควรตั้งอยู่ในข้อกติตาของพวกพิษสุเจ้าถิ่นในต้นไม้เหล่านั้นต้นไม้เหล่าใดที่ทายกถวายไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์แ่การบริโภคผล และพวกพิสูุเจ้าถิ่นก็รักษาปกครองต้นไม้เหล่านั้นไว้นำไปใช้สอยโดยชอบพระอคันตุกะทั้งหลายควรตั้งอยู่ในข้อกติกาของพวกพิกูุเจ้าถิ่นเหล่านั้นในต้นไม้เหล่านั้นนั่นแหละส่วนในมหาปัญ จ, จรีท่านกล่าวไว้ว่าพิสูตเมื่อฉันผลไม้ที่ทายกกำหนดถวายไว้เพื่อปัจเจตีด้วยธยาจิตพึงให้ตีราคาสิ่งของปรับอบัตถ้าได้ห้ามาศ มีติดเป็นประราชิกถ้าไม่ถึงก็อบัตรเราเรองลงไปตุลใจหรือว่าทุกกดเมื่อแจกกัญฉันด้วยอำนาจการบริโภคเป็นพันดับไทยถ้ามีไสยจิตกับอบัตถ้าแจกด้วยอำนาจของการบริโภค ก, ก็ชดใช้มหาปัจจัยแสดงไว้ก็บรรดาผลไม้เหล่านี้เมื่อบิตุแจกกัญฉันผลไม้ที่ทายกกําหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่เสนาสนะ ด้วยอำนาจการบริโภคเป็นทุนละใจด้วยเป็นพันดักไทยด้วยถ้าเขากําหนดไว้ว่าเป็นประโยชน์แก่เจนสนะจัดว่าก็เป็นครุพันแจกไม่ได้เพราะฉะนั้นตเอาไปบริโภคเป็นทุนละใจเพระว่าเป็นการเหมือนกับแจกของสงเลยเป็นการแจกครุพันแล้วก็ต้องใช้คืนด้วยเป็นพันธัไทยผลไม้ที่ทายกอุทิศถวายไว้เพื่อประโยชน์แก่จีวรควรน้อมเข้าไปในจีวรเท่านั้น ถ้าเป็นมัดที่มีพิษาหาได้โดยยากพิษสูตทั้งหลายย่อมลำบากด้วยบินตบาดส่วนจีวรหาได้ง่ายจะทำอัปปโลกนกกรรมเพื่อความเห็นชอบแห่งสงแล้วน้อมเข้าไปในบินตาบาทก็ควรบินตบาดหายากแต่ว่าจีวรหาได้ง่ายเพราะฉะนั้นผลไม้ที่เขาน้อมไปเพื่อจีวรต้องทำอัปปโลกนกกรรมให้สงยินยอมแล้วก็จะได้นำเข้าไปในบินตบาด เมื่อลำบากอยู่ด้วยเสยนาสนะหรือขีลานะปัจจัยจะทำอัปโลกนกรรมเพื่อความเห็นชอบแห่งสงฆ์และน้องเข้าไปเพื่อประโยชน์แก่เสนาสนะและขีลานะปัจจัยนั้นก็ควรแม้ในผลไม้ที่ทายกอุทิศถวายไว้เพื่อประโยชน์แก่บิณฑบาตและเพื่อประโยชน์แก่คีลานะปัจจัยก็มีในนี้เหมือนกันส่วนสิ่งของที่ทายกอุทิศถวายเพื่อประโยชน์แก่เสนาสนะเป็นครุฑพัน สิ่งที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่เสนาสนะนั้นอันที่ตุพึงรักษาคลุ้มครองแล้วพึงน้อมไปเพื่อประโยชน์แก่เสนาสนะนั้นเท่านั้นก็ถ้าเป็นวัดที่พิจารหาได้โดยยากที่ตุทั้งหลายจะเลี้ยงอัตภาพให้เป็นไปด้วยบิณฑบาตไม่ได้ในข้อนี้วิหารของพวกพิกสุผู้อพยพไปในที่อื่นเพราะราชภายัยโรคภยัยและโจรภัยเป็นต้นย่อมชำรุดไป วนเหล่าอื่นย่อมทำต้นตาลและต้นมะพร้าวเป็นต้นให้เสียหายไปส่วนที่ตุอ๋อาศัยเสนาสนะปัจจัยแล้วย่อมอาจเลี้ยงอัตภาพให้เป็นไปได้ในการเห็นป่านนี้แม้จำน่ายเสยนาสนะแล้วบริโภคเพื่อประโยชน์ใกาการรักษาเสนาสนะถ้าผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีเสนาสนะเยอะแต่ว่าขาดใจด้วยอาหารบินดบาร พระวิถุก็หนีไปเพราะว่ามีราชภัยโรขภัยโจรภัยอันพระวีถูกจะอยู่อาศัยเสนาสนะที่เหลือแล้วก็เอาเสนาสนะบางส่วนจำน่ายแต่ต้องถูกตามพ ร, าพระวินัยพระวิถูกไปซื้อไปขายไปแลกไปเปลี่ยนไม่ได้ต้องมีกัปปิยักวาจาหรือมีกัปปิยการกเป็นผู้ที่ทําให้แล้วก็นําเสนาสนะนั้นไปจําหน่ายแล้วก็บริโภคปัจจัยก็คือบินทบาร แล้วก็รักษาเสนาสนะส่วนที่เหลือเอาไว้ก็ได้เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นกรุพัณฑ์แต่ว่าเพื่อจะรักษาเสนาสนะที่จะเหลือเอาไว้ได้ก็จำน่ายเสนาสนะบางส่วนก็ได้เพราะฉะนั้นเว้นเศนาสนะที่ดีไว้หนึ่งหลังหรือสองหลังเสนาสนะนอกนี้ตั้งต้นแต่เสนาสนะเลวที่สุดจะจำน่ายเพื่อประโยชน์แก่บินทบาทก็ควร แต่ไม่ควรน้อมเข้าไปทําให้วัตถุที่เป็นมูลเดิมขาดก็คือไม่ใช่เอาไปจาหน่ายทั้งหมดเลยเหลื อ, อไว้บางส่วนจําหน่ายบางส่วนส่วนในสวนที่ทายกกำหนดถวายไว้เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยสี่นั้นไม่ควรทาอัปปโร ก, กนกรรมแต่จะน้อมเข้าไปเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยที่ยังพร่องอยู่น่อมสมควรถ้าเขา ถวายส่วนไว้เพื่อประโยชน์กับปัจจัยสี่ก็ไม่ต้องทาอภิโลกน ก, กรรมอะไรอ่ะน้องไปในปัจจัยต่วนไหนที่ยังพล่องก็ได้ทั้งนั้นเลยควรรักษาสวนไว้แม้จะจ่ายสินจ้างไปให้รักษาไว้ก็ควรส่วนชนเหล่าใดได้รับสินจ้างสร้างเรือนอยู่รักษาในส่วนนั่นเองถ้าชนเหล่านั้นถวายมะพร้าวหรือว่าผลตาลสุกแก่ที่สุกทั้งหลายผู้มาแล้ว ชนผู้รักษาสวนเหล่านั้นย่อมได้เพื่อถวายผลไม้เฉพาะที่ส่งอนุ ญ, ญาตแก่พวกเขาว่าพวกเธอจะกินผลไม้มีประมาณเท่านี้ได้ทุกวันดังนี้การที่ภิจุจะรับเอาผลไม้ของชนเหล่านั้นแม้ผู้ถวายมากยิ่งขึ้นไปก่าผลไม้ที่ส่งอนุ ญ, ญาตนั้นย่อมไม่สมควรแล้วจะรู้ได้อย่างไรล่ะท่านชาก็ต้องถามถ้าไม่ถามก็ไม่รู้ ถ้าเขาถวายเกินกั่าที่สองอนุญาตไม่ให้ไม่ให้เขาบริโภคนี้ไม่ควรจะรับส่วนผู้ใดได้รับเช่าสวนแล้วย่อมถวายเฉพาะกับปิยพันธ์เท่านั้นแก่สงเพื่อประโยชน์แกปัจจัยตีผู้นี้ย่อมได้เพื่อถวายผลไม้แม้มาก็าคือเขาเช่าไปแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ทั้งหมดแหละแม้สวนที่ทายกถวายไว้แก่พระเจดีเพื่อประโยชน์แก่ประทศ หรือเพื่อต้องการปฏิสังขรสิ่งที่ชำรุดหักพังสงควรรักษาไว้ถึงจะจ่ายสินจ้างไปบ้างก็ควรให้รักษาไว้ก็แลในสวนที่ทายกถวายไว้แต่พระเจดีนี้จะจ่ายสินจ้างที่เป็นของเจดีบ้างที่เป็นของสงบ้างควรอยู่การถวายผลไม้ ท, ที่เกิดขึ้นในสวนนั้นของพวกชนผู้พักอยู่ในสวนนั้นนั่นเองรักษาสวนแม้นั้นอยู่ด้วยสินจ้าง และของพวกชนผู้รับเช่าสวนแล้วถวายแต่กัปยพัน์แก่สงฆ์พึงทราบโดยในดังที่กล่าวแล้วนั่นแหลอันนี้ก็เป็นเรื่องของการถวายผลไม้ผลาผลต่างๆของคนที่เขาเฝ้าสวนรักษาสวนหรือว่าเ้าเช่าสวนไว้ต่อไปจะเป็นเรื่องของการขออาราขาเพื่อความปลอดภัยของตอนเองของหมู่สงฆ์ของวัด ภิกษุผู้จะขออารักขาที่เป็นธรรมย่อมไม่ควรปรารบอดีตหรืออนาคตบอกเจาะจงตัวบอกเจาะจงตัวไม่ได้ไปบอกชื่อเขาว่าคนนั้นคนนั้นให้ไปจับคนนั้นคนนั้นนี่มีโทษกับภิกษุด้วยเลยอันหนึ่งการปรารบอดีตบอกเจาะจงตัวก็มีบอกไม่เจาะจงตัวก็มีแม้ปรบอนาคตบอกเจาะจงก็มีบอกไม่เจาะจงตัวก็มีปรบ อดีตบอกจะจองตัวเป็นอย่างไรก็คือที่สํานักของพิจูตพวกเด็กชาวบ้านหรือคนอันตรพาลมีนักเลงเป็นต้นพวกใดพวกหนึ่งประพฤติอนาจารก็ดีตัดต้นไม้ก็ดีขโมยผลไม้น้อยใหญ่ก็ดีแย่งชิงเอาบริการก็ดีพิจูตก็ไปหาพวกเจ้าหน้าที่ที่รักษากฎหมายบอกว่าที่สํานักของพวกเราถูกทําประทุษกรรมชื่อนี้ ก็คือมีคนมาก่อความวุ่นวายเมื่อเขาถามว่าใครทําบอกว่าคนโน้นและคนโน้นด้วยอาการอย่างนี้จัดเป็นการบอกเจาะจงปรารบอดีตก็คือเรื่องมันเกิดไปแล้วแล้วก็ไปบอกเจาะจงตัวเขาชื่อนั้นชื่อนั้นเลยให้ไปจัดการทีการบอกเจาะจงตัวนั้นไม่ควรถ้าพวกเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเหล่านั้น ฟังคำ น, นั้นแล้วทําการปรับไหมแก่ชนเหล่านั้นก็คือเสียค่าปรับทําวุ่นวายอย่างนี้ก็จับมาแล้วก็เสียค่าปรับทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกปรับไหมเป็นสินใช้แก่พิสูจด้วยนะถ้าไปบอกเจาะจงตัวเจาะจงชื่ออย่างนี้นะเขาถูกปรับพิสูจนต้องใช้ถ้าไม่ใช้ปรับอบัติตราชิพได้เหมือนกันแม้เมื่อมีความประสงค์ว่าเราจะรับเอาสินไหมก็เป็นสินใช้เหมือนกันก็คือให้ตารวจ หรือว่าให้ผู้ที่ช่วยรักษาคนหมายปรับแล้วก็จะได้เอาสินไหมาเข้าวัดก็เป็นสินใช้ต้องใช้คืนเข้าไปแต่ถ้าพิจูตกล่าวว่าขอให้ท่านปรับไหมบุคคล น, นั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ปรับเอาสินไหมประมาณห้ามาสกนิจเป็นประราชิกแก่พิกจุนั้นเลยเพราะว่าพิจูไปขอให้เขาปรับไหมเพราะฉะนั้นการกล่าวหรือว่าการขอรักขานี้ต้องระวังจะไปพูด จาจงหรือว่าให้เขาปรับสินไหมอะไรต่างๆแต่เมื่อเขาถามว่าใครทําภิกษุควรกล่าวว่าการที่จะพูดว่าคนชื่อโน้นไม่สมควรแก่เราท่านจงรู้เอาเองเถิดบอกให้ติสสวนเอานะเพราะพวกเราเพียงแต่ขออารักขาอย่างเดียวท่านโปรดให้อารักขานั้นแก่พวกเราและให้นําของที่ถูกลักไปกลับคืนมาก็ขอ ความสะดวกความปลอดภัยให้ช่วยไปอารักขาไปดูแลให้ไม่มีภัยแล้วก็เอาของที่เขารับไปเอาคืนมาให้ได้แค่นี้แหละแต่ว่าใครทำนั้นก็องไปสืบเอาเองการขออารักขาไม่เจาะจงตัวย่อมเป็นอย่างนี้ก็คือผวก็ให้ไปดูเอเองจะบอกว่าคนไหนชื่อนั้นชื่อนั้นไม่ได้นี่เป็นการไม่เจาะจง การขออาลักษไม่เจาอะจองตัวนั้นควรอยู่พิสูกควรกล่าวอย่างนี้แหละก็คือขออารักาแล้วก็เอาของกลับคืนมาแต่ว่าให้รู้เอเองว่าคนไหนเป็นคนที่ทาเมือ่อพิสูจกล่าวอย่างนั้นแล้วถ้าแม้พวกเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเหล่านั้นสืบสวนหาตัวผู้ทำแล้วทำการปรับหมายแก่คนผู้ทำเหล่านั้นแม้สมบัติทุกอย่างที่ถูกเจ้าหน้าที่ปรับหมายไม่เป็นสินใช้ ทั้งไม่เป็นอาบัติแก่พิสุเลยแม้เห็นพวกขโมยรับบริการไปจะ ก, กล่าวว่าขโมยขโมยเพราะต้องการความพินาศแก่ขโมยเหล่านั้นก็ไม่ควรจะร้องตะโกนบอกว่ามีขโมยมาแล้วก็หวังความพินาศนั้นก็ไม่ควรที่จะร้องไม่ควรจะบอกถึงนั้นจริงอยู่แม้เมื่อพิสุกล่าวอย่างนั้นทรัพย์สมบัติที่เจ้าหน้าที่ทําการปรับไหมแก่ขโมยเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเป็นสินใช้แก่พิสุด้วย ก็มีโทษจะโจรขโมยของวัดไปในทําทำไงก็ขออารักขาแต่จะกล่าวกับผู้ที่เชื่อฟังคำของตอนว่าผู้นี้ลักบริขารของเราไปจงให้นำบริขารนั้นกลับคืนมาและอย่าลงโทษเขาดังนี้ควรอยู่ก็ต้องแสดงอาการที่มีจิตใจเป็นพระก็คือเป็นผู้ที่มีเมตตาแล้วก็ให้อภัยแม้โจร่อมา รับของเอาไปก็ให้คนไปทวงเอากระเคืนมาให้ได้แล้วก็บอกด้วยว่าอย่าลงโทษเขานะจึงมันผิดกับกฎหมายทางบ้านเมืองเพราะว่าถ้าไม่ลงโทษก็จะไม่เข็ดหลาบใช่แต่ว่าทางธรรมนี้ต้องมีเมตตาเพราะฉะนั้นเขาผิดแล้วก็ต้องให้อภัยผู้พิที่ตุทำการฟ้องร้องคดีเพื่อประโยชน์แกท่ทาดชายท่าหญิงและหนองบึงเป็นต้น คดีนี้ชื่อว่าอาับติยะคดีไม่สมควรทสิศุดไปฟ้องร้องไม่ทาคดีไม่ได้การบอกเจาะจงตัวปารบอนาคตเป็นอย่างไรคือเมื่อชนเหล่าอื่นทำอนาจารเป็นต้นโดยในดังกล่าวแล้วนั่นแหละทิกศุตพูดกับพวกเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายอย่างนี้ว่าพวกชาวบ้านทำกรรมนี้และกรรมนี้ในสำนักของพวกเราขอจงให้อารักษาแก่พวกเรา เพื่องการไม่ให้ทำต่อไปเมื่อเขาถามว่าใครทำอย่างนี้ก็บอกว่าคนนู้นและคนนูน้นอย่างนี้จัดเป็นการบอกเจาะจงตัวปรารบอนาคตก็คือเขาจะมาทำอีกนะเพราะฉะนั้นช่วยห้ามทีอย่าให้มาทำอนาจาร์เหล่านั้นก็ถามว่าใครทาก็ไปบอกชื่อหมดเลยอันนี้เรียกว่าบอกเจาะจงตัวปราลบอนาคตแม้การบอกเจาะจงตัวนั้นก็ไม่สมควร เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่รักษากฎหมายทําการปรับไหมแก่ชนเหล่านั้นทรัพย์ที่ถูกปรับทั้งหมดเป็นสินใช้แก่ปิจุโดยในายกรเหมือนกันคำที่เหลือก็เป็นเช่นกับคากันก่อนนั่นแหละก็คือถ้าบอกให้เขาไปปรับสินหมาได้มาห้ามาศกก็เป็นประราชิแกแก่ปิจุได้นะแต่ถ้าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายให้ตีกรองเปล่าประกาศว่าจะทําโทษชื่นหนีแต่พวกคนผู้ทําอนาจารเห็นตานี้ ในสำนักของพิจษุทั้งหลายแล้วสืบสอบหาผู้ไม่ได้ตั้งอยู่ในข้อบังคับมาลงโทษไม่เป็นสินช้ทั้งไม่เป็นอับัตแก่พิจษุเลยการที่พิกษุจะเอามีดและขวานเป็นต้นของพวกชาวบ้านผู้ลอบตัดต้นไม้เป็นต้นในเขตแดนวัดมาแล้วเอาก้อนหินทุบไม่ควรไม่ควรต้องคืนเขาไปถ้าคมบิ่นไปพิจูตพึงให้ซ่อมแล้วคืนให้ พวกพิตูวิ่งเข้ามายึดเอาบริขารของคนเหล่านั้นไว้แม้การยึดเอาบริขารนั้นไว้ก็ไม่ควรทําคนจะมาลักของในวัดนะเขาวิ่งไปจากทาของเขายึดของอะไรไว้เขาไม่ควรเพราะจิตเป็นธรรมชาติกลับกรอกเร็วเมื่อเกิดไถ่ยึจิตขึ้นจะพึงถึงความเป็นผู้ขาดมูลได้ก็และแ น, น่นอนไปยึดของเขาไว้ให้เกิดจิตคิดลักหรือว่าคิดที่จะเอาไปของตนมีอยู่ก็เลยอับปางประราชิกได้เลย เท็จตูไม่ควรเทเองนี่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหม่เลยนะเท็จตูไม่ควรเทเองหรือใช้คนอื่นเทซึ่งอุจจาระปัสาวะอยากเยื่อของเป็นเดนที่นอกฝาหรือว่านอกคำแพงเมื่อเทวัตถุทั้งหลายแม้ทั้งสี่โดยประโยคเดียวเป็นอบัตทุกกฎตัวเดียวเท่านั้นเมื่อเทยแยกกันเป็นอบัตทุกกฎหลายตัวด้วยการนับจำนวนวัตถุถ้าเทยแยกกัน ของพิจุนีนี่อบัติปจิตีเลยนะเทะ ว, วุจระปัสสาวะอยากยืยย่อต่างๆนอกฝาเรือนนอกกําแพงนี่อบัติปจิตีของพระพิจุนี้อบัตทุกกฎเท่านั้นแม้ในการสั่งก็ในนี้แหลสั่งให้เขเทก็ไม่พวนอวบัตแม้ในการทิ้งไม้ชมระฟันก็เป็นทุกกฎเหมือนกันเอาไม้ชมรฟันทิ้งไปนอกฝานอกกําแพงนี่ก็อบัตทุกกฎเหมือนกันเมื่อพิกจุตรวจ ด, ดูแล้วจึงเทก็ได้เทวุจาระเป็นต้นในที่ไม่ได้ใช้ใส่ก็ได้ ไม่เป็นอาบัตถ้าตรวจดูแล้วไม่มีคนเดินไปเดินมาก็เทลงไปหรือว่าทิ้งลงไปได้เพราะต้นเหตุเนี่ยเทลงไปหัวของพระปุโรหิตพิกษุณีนะไรนาที่เขาปลูกของอุปโภคบริโภคของพวกมนุษย์ทั้งหลายหรือสวนมะพร้าวเป็นต้นก็ตามทีเมื่อเทวัตถุเหล่านั้นทิ้งในที่แม้นั้นที่ใดที่หนึ่งซึ่งเขาปลูกของสดไว้ย่อมไม่ควร จะเป็นอาบัต ด, ด้วยทุกกฎเพิ่งสร้างความประเภทแห่งอาบัตกันในก่อนนั่นแลใกาที่สูผู้เททิ้งก็เป็นบัตทุกกฎที่สูนั่งฉันอยู่ที่ไร่นาหรือว่าสวนเคี้ยวอ้อยเป็นต้นเมื่อจะไปเทน้ําเป็นเดนเมื่อจะไปพระเทน้ําเป็นเดนและกระดูกเป็นต้นลงในของเขียวสดฉันที่สุดทิ้งแม้มะพร้าวที่เจาะหัวดื่มน้ําแล้วก็ไปเป็นทุกกฎ ห้ามทิ้งของเหล่านั้นในที่นาที่สวนของเขาแต่ในพืชที่เขาหว่านไว้ในนาที่ไถแล้วมเมล็ดจะงอกหน่อจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามทีเป็นทุกกฎหมดเขาหว่านนาไว้แล้วงอกหรือไม่งอกก็แล้วแต่ว่าเป็นอรรมทุกกฎถ้าทิ้งพวกขยะพวกปุทธิราชพันธวะอันนั้นนะแต่จะทิ้งในนาที่พืชยังไม่แตกหน่อขึ้นที่มุมนาเป็นต้น ทิ้งก็ทิ้งที่มุมนาด้วยไม่ใช่ไปทิ้งกลางนาที่เขายังไม่ได้หว่านพืชหรือในคันนาเป็นต้นที่ปลูกพืชนิ่ขึ้นควรอยู่ก็ทิ้งได้ถ้ายังไม่ได้หว่านพืชหรือว่าปลูกพืชแล้วมันก็ไม่ขึ้นทิ้งขยะเหล่านั้นได้แต่ว่าก็ต้องดูที่มุมที่หลบๆหน่อยย่อมควรแม้ในสถานที่เททิ้งอยาบเจื้อของพวกมนุษย์ทั้งหลายเมื่อพวกชาวบ้านถอนเข้ากล้าไปแล้ว เชื่อว่าเป็นนาร้างจะเทในนาร้างนั้นแหลควรอยู่แต่ในไร่นาที่พวกชาวบ้านอย่างเฝ้ารักษาอยู่เนื่เข้าใจว่าบุพพันธชาติเป็นต้นที่เกี่ยวแล้วจะงอกขึ้นอกีกในที่เช่นนั้นก็ไม่ควรไม่ควรจะเทพวกข้าวของอุจจาระปัสสะอย่างยื้ออะไรต่างๆอีกเรื่องหนึง่งเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิจิุตทั้งหลาย ทิศ ส, ส่งน้ำไม่พึงสีกายที่ต้นไม้รูปใดสีรูปนั้นต้องอบัตทุกกดห้ามเอาหลังหรือว่าเอากายไปตีที่ต้นไม้ฉะนั้นทิศตู่ผู้ส่งน้ำไม่พึงสีกายในที่เสาที่เขาปักไว้ที่ท่าสําหรับอาบน้ําหรือที่ฝาอิดฝาศิลาฝาไม้ฝาชนิดใดชนิดหนึ่งก็ไม่ควรที่จะเป็นสีกายทั้งนั้นเพราะมีพระบาลีว่าดูการทิศตุทั้งหลาย พิจูไม่พึงสงน้ำในที่สงที่ไม่สมควรรูปใดสงรูปนั้นต้องอบับทุกกฎที่สงที่ไม่สมควรก็คือที่ที่ไม่มีฝาปิดคนอื่นสามารถที่จะเห็นอาการที่ไม่ดีประเจิญประเจ้ะโปของพิจูที่นั้นแหละเป็นที่ที่ไม่สมควรเพราะฉะนั้นพิจุจึงไม่ควรสงแม้ในที่ไม่สมควรชนทั้งหลายถากต้นไม้ให้เป็นเหมือนแผ่นกระดาษ แล้วตัดให้เป็นรอยโดยอาการอย่างกระดานหมากลุกแล้วปักไว้ที่ท่าเป็นที่สงท่าเช่นนั้นชื่อว่าอัตตานะอัตตานะต่ตปะทับนะจนทั้งหลายเกลี่ยจุรนแล้วก็สีกายที่ท่าที่ไม่ควรสงน้ํานั้นของพระฤาสนี้ก็ไม่เหมาะสมเพราะมีพระบาลีว่าดูกพรพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจนไม่พึงสงน้ําถูด้วยมือที่ทําด้วยไม้ของคนไทยเราก็เอาไว้ เกาข้างหลังมือที่เป็นไม้เนี่ยแต่ว่าในอินเดียนั่นเอาไว้ถูหลังที่สุดก็ไม่ควรที่จะถู ด, ด้วยมือที่ทำด้วยไม้อย่างนี้รูปใดสงรูปนั้นต้องอาบัดทุกกดพวกมนุษย์ทั้งหลายเอามือที่ทำด้วยไม้ที่วางไว้ที่ท่าสำหรับอาบน้ำจับจุรนถูตัวที่สุดไม่ควรสงด้วยมือที่ทาด้วยไม้นั้นพราอมีพรั บ, บาลีว่าดูกวมที่สุดทั้งหลาย ที่ตุไม่พึงส่งน้ําถูด้วยก้อนจุรนสีดังพลอยแดงรูปใดสงรูปนั้นต้องอับดับทุกกฎเพราะฉะนั้นที่ตุจึงไม่ควรส่งน้ําแม้ด้วยก้อนจุรนหินมีสีดังพลอยแดงชื่อว่าก้อนจุนหินสีดังพลอยแดงท่านเรียกกรรมกลมกลมที่ชนทั้งหลายขยําเคล้าจุลนและศิลามีสีดังพลอยแดงด้วยคลั่งที่ทําไว้ชนทั้งหลายจับ กรรกมกลมนั้นที่ปลายสองข้างแล้วก็ถูตัวของพิสูจน์นี่ก็ไม่เหมาะสมไม่ควรเพราะมีพระบาลีว่าดูความพิกษุนทั้งหลายพิสูจไม่พึงเอาตัวถูกันรูปใดทำรูปนั้นต้องบัรทุกกฎฉะนั้นพิสูจจึงไม่ควรเอาตัวกับตัวสีกันพิสูจนสองรูปนะแล้วสีกันให้ที่ใครมันออกอนี้ก็ไม่เหมาะไมสมไม่ควรใช้เปลวผ้าได้เพราะมีพระบาลีว่าดูความพิสูจทั้งหลาย พิสุไม่พึงส่งด้วยไม้บางเวียนที่จักเป็นฟันมังกรรูปใดสงรูปนั้นต้องปฏทุกฎนูกรพิสุทั้งหลายเราอนุญาตไม้บางเวียนที่ไม่ได้จักเป็นฟันมังกรแต่พิสุอาภาสเฉพาะพิสุอาภาสเท่านั้นพิสุไม่อภาสาก็ห้ามมาอาบอย่างนี้ด้วยบางเวียนกระดานที่ทําโดยส้วทรงอย่างก้นถ้วยจักเป็นฟันมังกรจักก็คือหมายถึงว่า ซ้อให้เป็นฟันมังกรเรียกชื่อว่ามันลกะบังเวียนกระดานที่จักเป็นฟันมังกรนี้ไม่ควรแม้แก่พิจุผู้อาพาธแต่ว่าใช้บังเวียนธรรมดาได้บังเวียนกระดานที่ไม่ได้จักทําให้เป็นฟันมังกรชื่อว่าอะกตะมันลกะบังเวียนกระดานที่ไม่ได้จักให้เป็นฟันมังกรนี้ไม่ควรแก่พิจุผู้ไม่อาพาธผู้อาพาธที่ใช้ได้ สนแผ่นอิดหรือกระเบื้องนั้นควรอยู่เจ้าแผ่นอิดหรือกระเบื้องมาถูตัวนี้ได้เพราะมีพระบารีว่าดูความพิจารณทั้งหลายเราอนุญาตเกลียวผ้าและฝ่ามือเพราะฉะนั้นการถูหลังด้วยผ้าและการถูหลังด้วยฝ่ามือจึงควรใช้ได้สองอย่างก็คือเกลียวผ้ากับมือเนะือใช้ถูเกลียวผ้าชื่อว่าอุกาลสิกะเพราะเหตุนั้นที่สู่รูปใดรูปหนึ่งผู้ส่งน้ํา จะถูหลังด้วยเกลียวผ้าสําหรับสงก็ควรการบริกรรมด้วยมือเรียกว่าปุถุปาณิกะก็คือบีดนวดนั่นแหละเพราะเหตุ น, นั้นทิจูทั้งปวงจะถูหลังด้วยมือควรอยู่ในเรื่องของการส่งน้นํานี้พึงทราบวัดในการส่งน้ําอันทิตูผู้ประสงค์จะส่งน้ําไปถูงท่าน้ําแล้วพึงวางกีวรทั้งหลายในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ยืนอยู่ก่อนเพึ่งรีบลงกันในน้ํา ไม่ควรรีบลงไปโดยเร็ ว, รวพึงเหลียวแลดูทุกๆุกทิศทีเดียวครั้นทราบว่าสังกัดแล้วคือไม่มีคนมาดอมดอมมองมอ ง, งดูว่าสังกัดแล้วก็กําหนดวัตถุทั้งหลายมีตอไม้พุ่มไม้และถาวรเป็นปต้นแล้วยอ่อกายลงกระแอมขึ้นสามครั้งแล้วพึงนําผ้าอุตตราสง์ออกพึงแล้วแก้ประกตเอววางทับจีวร น, นั่นแหละถ้าผ้าสําหรับอาบน้ำไม่มี เมื่อจะนั่งกระโยงที่ริมน้ำแล้วถ้าผ้าสำหรับอาบน้ำไม่มีก็ให้โป้อาบน้าก็จงนั่งกระโยงที่ริมน้ำแล้วเปื่องผ้านุ่งออกถ้ามีที่สำหรับพึ่งพึ่งพึงผ้านุ่งถ้าไม่มีม้วนแล้วก็วางไว้แล้วค่อยๆก้าวลงน้ำครั้งก้าวลงไปประมาณนาทีคือแค่เสด็จแล้วก็จึงอาบโดยไม่ทําให้ลูกคลื่น เกิดขึ้นไม่ให้เกิดเสียงไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้ทำเสียงครั้นจะกลับก็พึงดำลงโดยมุ่งหน้าต่อทิที่ตนมาก็คือเราจะอาบเต้าไปแล้วก็อันหลังกลับมาเพื่อจะได้คอยดูจีวรตัวเองด้วยแล้วก็อาบให้เป็นปกติไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้มีเสียงด้วยอาการอย่างนี้จีวรชื่อว่าอันตนรักษาแล้วแม้เมื่อจะโผล่ขึ้นก็ไม่ทำให้เกิดเสียงค่อยๆโผล่ขึ้น ในเวลาส่งน้ำเสร็จพึงนั่งกระโยงที่ริม น, น้ำแล้วเอาผ้ามาปกปิดตนไว้เมื่อลุกขึ้นยืนแล้วจึงนุ่งให้เรียบร้อยเป็นปริมนทนเสร็จแล้วก็คาดประคตเอวโมจีวนแล้วก็พึ่งยืนอยู่ก็พึ่งตัวให้แห้งสนิทอันนี้ก็เป็นข้อวัดในการอาบน้ำอันนี้ก็สมควรจะเวลาก็ขออนุโมท น, นาสาธุ ก, การนะท่านทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธา เพื่อเฟือในการที่จะปฏิบัติวินัยแล้วก็น้อมจิตน้อมใจไปในการที่จะเจริญสมถะวิปัสนาเพื่อคิดจะประชุมอริยมรรคีองแปดก็คือสีมสมาริปัญญาจะได้บรรลุอริยสัจสี่พ้นจากวัฏจัตุขขมิท่านทั้งหลายพ้นจากวัตจัุกู์นี้โดยทั่วกันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ